ที่เราเคยเรียนในโรงเรียนนะพี่ป๋องแปง๋งมันจะแบบคำคิดคำนวณหรือว่ามีอะไรหลายๆอย่างที่ทำให้อย่างเด็กศิลป์อย่างฟังเนี่ยรู้สึกว่าขอห่างๆเลยขอห่างๆเลยอย่างเงี้ยวิทย์กับฟิสิกส์ที่อยู่ในโรงเรียนเนี่ยมันเป็นฟิสิกส์แบบเดียวกับที่เราจะคุยกันในรายการไหมคะคือฟิสิกส์เนี่ยข้อแท้จริงในธรรมชาติอะครับมันเหมือนมหาสมุทรเราเดินสัมผัสความสวยงามของมหาสมุทรได้หลายระดับเราจะไประดับลึกมากๆเราก็ต้องเรียนในระดับมหาวิทยาลัยรหรือถ้าอยากลึกเข้าไปอีก ก็อาจจะต้องเรียนต่อปอโททำวิจัยปอเอกอะไรว่าไปวันนี้เราเหมือนกับเราพาไปเที่ยวทะเลแล้วกันแล้วเราก็ไปดูว่าใฮ้ชายหาดมีประมาณนี้บางเรื่องอาจจะต้องดำน้ำแบบแบบสกูบ้าทั่วไปะน็อกเกิลบ้างสกูบ้าแบบไม่ลึกมากอะไรเงี้ย เอ้ยเปรียบเทียบแบบไมดีมากคือเห็นภาพว่าเอ้ยไปเที่ยวทะเลแล้วก็รูสึกว่าเออเอาวันนี้เดินเตะเตะทรายเอาแล้กันเอาววันหน้าดำน้ำหน่อยนะอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งแต่ถามว่าเราทําความเข้าใจฟิสิกส์โดยปราศจากการคํานวณได้ไหมจริงๆผมต้องต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่ได้แต่สำหรับบุคคลทั่วไปที่อยากจะรู้ไว้นะฮะเหมือนกับเราเข้าใจคอนเซ็ปต์กว้างๆของมันเพื่อเพื่อความบันเทิงทางสติปัญญาได้ You're listening to the Standard Podcast the eye-opening experience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 ฟิสิกส์แล้วนะคะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยจะเริ่มรู้สึกแบบเลิกๆแล้วหนึงเอ๊ะมันเป็นสม ก, การอะไรยากๆไหมหรือว่ามันเป็นวิทยาศาสตร์ล้ํำๆที่เราอาจจะรู้สึกว่าไกลตัวไปหรือเปล่านะคะแต่วันนี้เราจะมาคุยกันให้ทุกคน เ, นเห็นว่าคําว่าฟิสิกส์เนี่ยสามารถอธิบายได้ทั้งเรื่องที่เล็กที่สุดไปจนถึงเรื่องที่ใหญ่ที่สุดในระดับของเอกภพเลยด้วยนะคะงั้นวันนี้นะคะใดๆในโลกล้นฟิสิกส์นะคะอยู่กับฟังรัฐโทอร์จิตพนานะคะมาพร้อมกับปองแปงอัจวโรงจันทมาศครับ จริงๆตอนเปิดเนี่ยฟังอยากคุยอย่างนี้ก่อนที่บ่งแปงว่าไอ้ฟิสิกส์ที่เราเคยเรียนในโรงเรียนบางทีมันก็ทําให้เด็กสายศีลอย่างฟังเนี่ยรู้สึกกลัวนิดนึงเลยอยากถามว่าจริงๆแล้วคาว่าฟิสิกส์เนี่ยมันมันคืออะไรอะไรคือฟิสิกส์อะพี่ต้องถามก่อนว่ากลัวอะไรอืถ้ากลัวใช่ไหมจะรู้สึกว่ามันเป็นตัวเลขยุบยัเป็นคํานวณเป็นอะไรที่นึกภาพไม่ค่อยออกอืมอะไรแบบนี้ก็แปลว่าอาจจะ ก, กลัวการคํานวณการคิดเลขซึ่ง คนที่กลัวการคำนวณการคิดเลขอะ่ะก็อาจจะไม่ได้กลัวฟิสิก์อย่างเดียวแต่จะกลัวไปถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกับตัวเลขนะครับบางทีก็อาจจะกลัวการทําบัญชีอะไรไปด้วยซึ่งไม่มีฟิสิกนะแต่ก็จะไม่ชอบแต่แน่นอนฟิสิกมันมีเรื่องของตัวเลขอยู่แต่บางส่วนเนี่ยเราก็อาจจะไม่ชอบฟิสิกในแง่ของคอนเซปต์การทําความเข้าใจมันซึ่งมันมีความคือความจริงของธรรมชาติอะ่ะมันมีความซับซ้อนแล้วมันไม่ค่อยเป็นไปตามที่ตาเห็นมากนะักแต่ถ้าถามว่าฟิสิกคืออะไรต้องย้อนถามกลับฟงังแล้วก็อาจจะถามคนดูนะครับ ไปถึงคำถามที่ใหญ่กว่านั้นว่าวิทยาศาสตร์คืออะไรก่อน oh. เพราะว่าฟิาสิกส์เนี่ยมันเป็นมันถูวิทยาศาสตร์คลุมไวนะ้ <Ha. S 1> ดังนั้น <Ha. S 1> ก่อนจะเข้าใจฟิสิกส์เราเข้าใจภาพกว้างที่สุดของมันก่อนดีกว่าว่าวิทยาศาสตร์คืออะไรคิดว่าคืออะไรเป็นคําถามที่เหมือนจะง่ายแต่โคตรยากเลยนะพี่ oh, วิทยาท่านานในมุมฟังฟังรู้สึกว่ามันคือการพิสูจน์อะไรด้วยหลักเหตุผลอะไรย่างนี้ได้ไหม าศาสตร์อื่นเขาก็มีเหตุผลของเขานเนอะ เ, เริ่มไปไม่ถูกแล้วเฉลยแล้วกันมันคืออะไร <c oughs> คือจริงๆการนิยามขอบเขตวิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะเริ่มยากขึ้นในยุคหลังๆที่วิทยาศาสตร์มันเติบโตมันมีการประยุกต์ใช้เป็นเทคโนโลยีมันมีอะไรหลายๆอย่างนะครับแต่ว่าในแง่หนึ่งเราอาจจะพอกล่าวได้ว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยคือาศาสตร์ที่พยายามตัดสินข้อเท็จจริงอยู่ทฤษฎีว่าถูกหรือผิดนะด้วยการทดลองกับการการหาหลักฐาน นะหรือการสังเกตการเชิงประจักษ์ที่ที่วัดผลได้ชัดเจนนะค่ะตราบใดก็ตามที่เราพยายามตัดสินความจริงด้วยการทดลองขึ้นมาการเก็บข้อมูลต่างๆว่าสิ่งที่เราคิดมันจริงหรือเปล่าเนี่ยนั่นนหะจะเป็นวิทยศาศาสตร์มันมันดูเรียบง่ายแต่มันสําคัญมากทีนี้ฟิสิกส์เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของของวิชาวิทยาศาสตร์ซึ่งมันจะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์ขแขนงอื่นๆจะเอาเป็นว่าฟิสิกส์เป็นวิชาที่เรา พยายามศึกษาหาความจริงและธรรมชาติของพวกปริมาณต่างๆที่เป็นปริมาณกายภาพแล้วเราวัดเป็นเลขออกมาได้ฟิสิกอลฟิสิกใ ช, ใช่ใช่ฮะถูกเลย uh. นะตั้งแต่เม็ดฝุ่นเนี่ยมันก็มีมวลของมัน uh. โลกของเรามันก็เหมือนฝุ่นที่ใหญ่มากเม็ดหนึ่งฟิสิกส์เลยกลายเป็นศาสตร์ที่ศึกษาสิ่งที่เล็กมากๆไปจนถึงสิ่งที่ใหญ่มากๆแต่ถามว่าอะไรที่มันไม่ใช่ปริมาณกายภาพเนี่ย mm. ก็มีเ <Gen. S 1> ช่น ความรักอืมโอเคมันมันเหมือนกับจับต้องไม่ได้แต่มันมีอยู่นะแต่มันจับต้องไม่ได้แต่เราเอาไม้บรรทัดวัดไม่ได้วัดได้ไหมอ่ะรักมากรักน้อยรักแบบคนคุยรักแบบเพื่อนรักแบบกิ๊กอย่างเงี้ยมันกไม่รู้มันแบบมันไม่ได้เป็นรูปธรรมป่ะพี่ใช่คือเราวัดด้วยอุปกรณ์การวัดเชิงฟิสิกไม่ได้ โอเคพอพอจะเห็นภาพว่าอะไรที่มันจับต้องได้อะไรที่มันวัดได้ด้วยมาตรวัดอะไรบางอย่างตามหลักวิทยาศาสตร์อันนั้นคือฟิสิกส์โอ้ยงั้นเดี๋ยวเราเข้าเรื่องที่เป็นหัวข้อของวันนี้เลยว่า เ, เรื่องราวที่อธิบายด้วยฟิสิกส์เนี่ยมันได้ตั้งแต่สิ่งที่แบบเล็กที่สุดไปจนถึงแบบเอกภพไปจนถึงแบบจั ก, กรวาลอะไรอย่างนี้อยากให้พี่ป๋องแต่งอธิบายให้ฟังว่ า, ม, วามันมันมันคืออะไรแล้วมันอธิบายด้วยฟิสิกส์ได้ยังไงอะไรอืมก็อย่างนี้ครับคือจริงๆคําว่าเล็กที่สุดเนี่ย เป็นสิ่งที่คนเขาตั้งคําถามมาตั้งแต่ยุคกรีกโบราณแล้วว่าเล็กที่สุดเนี่ยมันคืออะไรมีธรรมชาติยังไงอะไรแบบนี้แต่เอาเป็นว่าผมจะเรียกสิ่งที่เล็กที่สุดตอนนี้ให้ให้เข้าใจว่ามันเป็นเหมือนอิฐบล็อกเหมือนตัวต่อเลโก้ที่ประกอบขึ้นเป็นเอกภพของเราแล้วกันอเหมือนเรากาลังดูที่เลโก้1ชิ้นใช่ซึ่งมันไม่ได้มีลักษณะเดียวมันมีหลายๆ ล, ลักษณะนะไออนุภาคเหล่านี้ผมอาจจะเรียกมันว่าอนุภาคมูลฐาน ภาษาอังกฤษอาจะใช้คำว่า fundamental particle หมายถึงว่าเป็นสิ่งที่พื้นฐานที่สุดที่ ส, สร้างทางเอกภพขึ้นมาไอ้พวกนี้จะเป็นไปตามกฎฟิสิกส์แต่กฎฟิสิกส์พวกนี้ในมันพิลึกตรงที่ว่าเดิมทีนะักฟิสิกส์เนี่ยเชื่อว่าการทําความเข้าใจธรรมชาติในสเกลระดับความใหญ่ในชีวิตประจำวันเนี่ยมันควรจะใช้ได้กับสิ่งเล็กๆด้วยหมายความว่ากฎฟิสิกส์ที่อยู่ในธรรมชาติที่เรารู้ว่าลูกบอลมันออกถูกแรงเตะเท่านี้มันต้องกระเด็นเท่านี้นเท่านั้นเนี่ยกฎทํานองนี้มันควรจะใช้ได้กับ สิ่งที่เล็กที่สุดด้วยจะปรากฏว่าจริงๆแล้วมันใช้ไม่ได้เราจะเรียกฟิสิกส์ที่ใช้อธิบายสิ่งเล็กๆพวกนี้ว่ากลศาสตร์ควอนตัมหรือทฤษฎีควอนตัมเคยได้ยินไหมเคยได้ยินคะ่ะแต่ไม่รู้<ม>ว่ามันคืออะไรอะเอาเป็นว่ามันเป็นกรอบวิชานึงของฟิสิกส์ที่ใช้อธิบายสิ่งเล็กๆมกันแปลว่าแปลว่าขนาดของสิ่งของของอะไรบางอย่างเนี่ยสามารถส่งผลกับสิ่งที่เราใช้ทําความเข้าใจมันได้ขนาดเนี่ยสำคัญแน่นอนเพราะว่า มันเป็นตัวบ่งบอกเราว่าเราจะต้องใช้กรอบทฤษฎีอะไรไปอธิบายมันถูกต้องะน ะ, ะสิ่งที่เล็กที่สุดเราจะให้ทฤษฎีควอนตัมปรากฏการในระดับชีวิตประจำวันจนถึงโลกโคจรรอบดวงที่ดาวเคราะห์ อ, อะไรต่างๆนะครับพวกนี้เราจะใช้กลาศาสตร์แบบนิวตันน ะ, ะแล้วก็ถ้ามันใหญ่มากๆในระดับเอกภพนะครับที่ปรากฏการแรงโน้มถ่วงมันส่งผลมากๆนะไอพวกนี้เราจะใช้ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป นะซึ่งอันนี้ก็คิดโดยคุณเอาเวิร์ตไอสไตล์ดังนั้นฟิสิกส์เนี่ยผมอาจจะแบ่งเป็นหลักๆได้3กรอบดังนี้ฮะก็จะใช้อธิบายตั้งแต่สิ่งที่เล็กคือ Fund ดเมนทั l พาทิเคิลธรรมชาติในสเกลที่เราใช้ชีวิตยอยู่จนกระทั่งถึงทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอสไตล์ทีนี้เราเริ่มเห็นกรอบแล้วว่าฟิสิกส์เนี่ยใช้อธิบายแบบ size ไซส์ไหนได้บ้างสเกลไหนได้บ้างและถ้าเราเริ่มจากสิ่งที่เล็กที่สุดเนี่ยฟิสิกส์อธิบายอะไรกับสิ่งที่เล็กที่สุดนั้น เราอธิบายว่าสิ่งที่เล็กที่สุดเนี่ยมันส่งแรงต่อกันยังไงมันอินเตอร์แอคกันยังไงเช่นสมมุติผมมีอนุภาคอยู่ตัวหนึ่งเล็กมากแล้วเนี่ยเป็นอนุภาคอีกตัวหนึ่ง A กับ B เนี่ยเวลามันวิ่งเข้ามาจะชนกันเนี่ยมันส่งแรงต่อกันยังไงซึ่งนักฟิสิกส์เราค้นพบในทุกวันนี้นะครับว่าสิ่งที่มันส่งผลต่ออนุภาคมูลฐานเหล่านี้เนี่ยมีทั้งหมดด้วยกันสี่แรงเท่านั้นเองคไม่ว่าจะเป็นฟ้าผ่าดวงอาทิตย์ส่องแสงการที่เรา ถูกยึดติดอยู่กับโลกของเราอะไรพวกนี้เกิดจากแรงพื้นฐาน4ี่อย่างนี้ทั้งนั้นเลยค<ฆ>่ะอย่างแรกคือแรงโน้มถ่วงอันนี้เราก็น่าจะเคยได้ยินกันดีนะครับเช่นลูกแอปเปิลตกลงสู่พื้นโลกอย่างเงี้ยอันนี้คือแรงโน้มถ่วง2คือแรงแม่เหล็กไฟฟ้าฟังดูงงๆนะแต่ว่าเข้าใจได้ไม่ยากก็เช่นว่าเราเอ า, เ, อาเวลาเราเอาหวีมาถูหัวเราครับ<ฆ>แล้วก็ลองทําการทดลองดูดเศษกระดาษเล็กๆให้มันไฟฟ้าสถิ ต, ถตอะไรบ้างอันนี้แหละคือแรงแบบแม่เหล็กไฟฟ้านะ แล้วก็อย่างที่3าอย่างที่4เนี่ยค่อนข้างลึกซึ้งนะครับอาจจะพูดชื่อไว้ก็คือแรงนิวเคลียร์อย่างเข้มกับแรงนิวเคลียร์อย่างาอ่อนแปลว่าการอธิบายของออฟิสิกส์สำหรับของที่มีอนุภาคเล็กเนี่ยมันสามารถใช้4ี่แรงนี้อธิบายได้หมดเลยหมดเลยอ oh. แล้วก็ความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เราสัมผัสได้เนี่ยถ้าเราแยกย่อยมันออกมามันจะกลายเป็นผลพวงจาก4ี่แรงพื้นฐานเนี่ย ทั้งหมดคือคําอธิบายทางฟิสิกส์ครับผมว่ามันเจ๋งตรงที่ว่ามันอธิบายสิ่งต่างๆได้อย่างเรียบง่ายไม่ต้องการการสร้างเรื่องไปเรื่อยๆเราไม่ต้องการนิทานประลัมปลาเป็นร้อยเรื่องในการอธิบายธรรมชาติเราต้องการหลักพื้นฐานไม่กี่ข้อแล้วก็อธิบายธรรมชาติได้ได้เยอะเลย แล้วทีนี้ถ้าเราเดินทางมาถึงฝั่งทางขวามือสุดที่เมื่อกี้เราคุยกันก็คือของที่เป็นเหมือนกับใหญ่มากๆหรือว่าในระดับของเอกภพเลยอย่างเงี้ยอันนี้ฟิสิก์เข้าไปอธิบายอะไรและอธิบายยังไงสิ่งที่ใหญ่มากๆเนี่ยนะครับในระดับที่สัมพัทธภาพทั่วไปจะเข้าไปยุ่งด้วยจะเป็นพวกกาลกแล็กซี่ละสัมพัทธภาพทั่วไปอธิบายธรรมชาติเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแรงโน้มถ่วงไม่ว่าจะเป็น การขยายตัวของเอกภพนะครับอัตราการหมุนของกาแล็กซีหรืออะไรพวกนี้ว่าทําไมมันถึงหมุนด้วยอัตราเท่าโน้นเท่านั้นอะไรแบบนั้นยกตัวอย่างเช่นกาแล็กซี่แอนโดรเมดาเป็นกาแล็กซีที่เห็นได้ด้วยตาเปล่ากาแล็กซี่เมฆแมกเจนแลนอะไรพวกนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่มันค่อนข้างไกลามากก็อย่างที่บอกเราจะมองได้ไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่าเราต้องการอุปกรณ์อื่นๆมาช่วยขยายตาเราฟิสิกส์เป็นแบบนั้นเสม อ, อมคือประสาทสัมผัสเรามีขีดจํากัดเราต้องการอุปกรณ์มาขยายขอบเขต ตาเราใช่แล้วเราก็เอาอุปกรณ์เหล่านั้นมาวัดค่าต่างๆดูเราก็สร้างทฤษฎีมาดูว่าค่าที่วัดได้เนี่ยมันทำไมถึงออกมาแบบโน้นแบบนั้นนะแล้วค่าอื่นๆมันสอดคล้องกับทฤษฎีเราไหมเนี่ยคือวิธีการทํางานเมื่อกี้พอฟังแล้วพี่ปองแปงรู้สึกว่าโหมันอย่างที่พี่บอกว่ามันอาจจะเรียบง่ายแต่จริงๆแล้วมันเหมือนกว้างมากเลยอะแบบใดๆในโลกวนฟิสิก์อย่างชื่อรายการของเราเลยแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วมีใดๆในโลกที่ไม่ฟิสิกไหมคะพี่ มีแน่นอนนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะไม่มีศาสตร์ อ, อื่นๆเนาะศาสตร์อื่นๆนะที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์โดยตรงนะครับเช่นการออกแบบสุนทรียะในเชิงการแต่งเพลงให้เพราะอย่างนี้ฟิสิกส์จะตอบคําถามที่เกี่ยวข้องกับปริมาณที่ไม่ใช่ฟิสิกส์ไม่ได้เรื่องของจิตใจเรื่องของสุนทรียะความความสวยความงามการออกแบบอะไรพวกนี้ ฟิสิกอาจจะยังไม่ได้เป็ดแตะโดยตรงแต่แต่ก็มีไปแตะแตะบ้างนะฮะก็มีการพยายามนำคณิตศาสตร์หรืออะไรบางอย่างไปอธิบายความสวยความงามว่ามันมีสูตรสำเร็จไหมอะไรพวกนี้<อ>แต่ว่า ถ้าจะเอาโดยโตรงจริงๆเนี่ยก็ไม่ไม่ครับฟอยากรู้ว่าเอการที่อย่างพี่ป๋องแปงเองเข้าใจฟิสิกส์เนี่ยมันทําให้การใช้ชีวิตสนุกขึ้นไหมอันนี้พยายามจะเปรียบเทียบตัวเองว่าเป็นอย่างเป็นเด็กที่แบบหลีกเลี่ยงฟิสิกส์มาโดยตลอดแต่ว่าพอมาฟังก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยเปิดโลกมากๆเลยอะไรเงี้ยก็อยากรู้ว่าสําหรับพี่ป๋องแปงอะการรู้ฟิสิกส์เนี่ยทำให้ใช้ชีวิตสนุกขึ้นไหมพี่สาหรับผมนะมันสนุกตรงที่ว่าเราจะเข้าใจการทํางานต่างๆของสิ่งต่างๆเอาจริงๆผมมองว่าไม่ใช่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตตรรรร์หืออะไก็ามคับ ศึกษาไปถึงจุดหนึ่งอ่ะมันสร้างสุนทรียะให้เราจากการจากการเข้าใจฟิสิกส์สามารถเกิดสุนทรียะได้ความเข้าใจในทุกสิ่งทุกอย่างสร้างสุนทรียะหรือความเพลิดเพลินให้ให้จิตใจเราได้เอาง่ายๆนะครับสมมุติเราเราอาศัยอยู่บนโลกอ่ะเราไม่จำเป็นต้องรู้ด้วยซ้าว่าโลกกลมถ้าเราไม่อยากเดินทางรอบโลกทุกวันเนี้ยไม่มีใครเลยในชีวิตที่ผมรู้จักอ่ะ จำเป็นต้องไปพิสูจน์ว่าโลกกลมด้วยการเดินทางรอบโลกหรือออกไปนอกโลกแต่การเข้าใจว่าโลกกลมมันเปลี่ยนวิธีคิดเราไปเยอะมากจากเดิมที่เราเชื่อว่าโลกเป็นแผ่นดินแบนๆ แ, แล้วพอไปถึงขอบเราจะตกมันไม่ตกแล้วที่น่าทึ่งคือมันมีอะไรบางอย่างดูดเราไว้ออืมไม่น่าทึ่งเหรอแล้วถ้าเราลึกลงไปในดินมากๆเข้าอะแทนที่จะเจอแต่ดินไปเรื่อยๆเราจะเจอคนเดินกับหัวกับหางอีกฝากหนึ่งของโลกมันประหลาดนะเออ ม, มันเป็นศูนย์ทฤษฎเหมือนเราฟังเพลงเพราๆอะฮะมันไม่ได้ทำให้เราทำอาหารเก่งขึ้นนะมันมีมันทำให้เราเข้าใจสิ่งต่างๆแล้วมีความสุขที่เราเข้าใจมันผมว่ามันเป็นยงนั้นนะสำหรับผมอืมค่ะพอเมื่อกี้ฟังเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแม้แต่เรื่องของฟิสิกส์ที่ดูเหมือนเป็นวิทยาศาสตร์ มันก็สามารถลิงก์ไปสู่เรื่องราวของสุนทริยะในการใช้ชีวิตของเราได้ฟังรู้สึกว่าถ้าใครที่ตามพวกเราอยู่เนี่ยอยากให้ติดตามกันไปในทุกๆตอนค่ะแล้วลองมาค่อยๆเติมสุนทริยะผ่านฟิสิกส์ผ่านมิติใหม่ๆเรื่องนี้ไปด้วยกันนะคะแล้วก็สามารถติดตามใดๆในโลกล้วนฟิสิกส์ได้นะคะในพอดแคสต์เพลเยอร์ทุกแพลตฟอร์มแล้วก็ใน YouTube ของ The Standard Podcast ด้วยนะคะ The Standard Podcast Eye-opening for your ears.